สารลามาครับชื่อว่าหลาท่านก็กำจะมาช่วยเหลือกันเนี่ยก็เป็นเป็นางานที่จะทำให้ขอเจริญพรท่านผู้อุโสและเยาวชนนะผู้สนใจในเรื่องของสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ก่อนหนึ่งก็ต้องข อ, อตัวก่อนว่าตามามีเวลาเตรียมตัวน้อยไม่สามารถจนระนํำข้อพ้อยม า, เ, าเสนอได้ซึ่ง <c oughs> ปกติก็ทําให้เป็นอยู่แล้วแต่นี่เพิ่งรู้ว่าจะพูดเรื่องอะไรเมื่อวันซืนี่แล้วก็อย่างที่ทราบว่าช่วงนี้บ้านเมืองก็ทําให้เราต้องไปพูดกับอะไรต่ออะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะนำมาพูดนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรใหมเ่เไหร่นะครับคือ จะเริ่มต้นด้วยคําว่าสุขภาวะทางจิตวิญญาณก่อนนะเพราะว่าคํานี้เนี่ยเป็นคําซึ่งหลายคนฟังแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะเกิดความคลั่นคล้ามนะและอาจจะชวนให้เกิดความเข้าใจผเพื่ออาตมามองว่าสุขภาวะทางจิตวิญญาณเนี่ยมันพูดอย่างง่ายๆคือความสุขความสุขด้านในที่มันที่มันเลยหรือมันลึกไปกว่าความสุขอย่างสามัญ ความสุขอย่างสามัญในที่นี้มาหมายถึงความสุขจากการได้เสพได้บริโภคหรือว่าได้รับพัฒนาที่น่าพึงพอใจนะอากาศเย็นอากาศสบายได้กินพ้องอร่อยได้มีซับนะไอ้พวกนี้เป็นเป็นความสุขชั้นผิวๆแล้วก็เป็นความสุขอย่างสามัญ น, นะซึ่งใครๆก็มีได้รวทั้งสา์ด้วยนะแต่ว่าสิ่งที่ มนุษย์เราสามารถจะเข้าถึงได้หรือสามารถที่จะสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นจากตัวได้ก็คือความสุขที่มันลึกไปกว่าใ้ความสุขชั้นผิวๆเป็นความสุขด้านในตรงนั้นแหละเทียบเท่ามารื่าความสุขทังจิตวิญญาณ น, นะซึ่งมันซึ่งมันก็มีระดับของมันนะฮะระดับของมันอย่างน้อยสองระดับนะซึ่งอันนี้มันก็โยงไปถึงเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับ ระดับระดับของจิตด้วยนะอาตมาพูดอธิบายอย่างง่ายๆนะว่าคนเราเนี่ยเพื่อทมาเชื่อว่าคนเราเนี่ยมีโอกาสที่มีโอกาสที่จะเข้าถึงความสุขทางจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งได้อยู่ทุกคนนะสภาวะเช่นนี้เป็นสภาวะที่ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เข้าถึงได้นะพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าโลกุตตธรรมเป็นอริยทรัพย์ ของทุกคนนะไอ้โลกุตตรธรรมเนี่ยและก็คือความสุขทางจิตวิญญาณขั้นลึกซึ้งนะซึ่งในพุทธภาสษีนี้ก็หมายความว่าทุกคนเนี่ยนะมีสิทธิ์เป็นเจ้าของความสุขอย่างนี้ได้ปัญหาตัวคนเราเนี่ยทาไมเราไม่สามารถจะเข้าถึงความสุขนี้ได้ก็เพราะว่าเราเนี่ยไปติดอยู่กับเปลือกนอกของจิตนะเปลือกนอกของจิตนะก็คือ อัรายเรีอกว่าความเห็นแกนตัวความนึกถึงตัวเองนะความสนใจแต่ความยึดติด ก, กับความสุขทางวัตถุนะทุกคนมีตรงนี้ทั้งนั้นนะถ้าเป็นบุตรชนนะเรามีเราติดอยู่กับความเราติดอยู่กับติดนะไอ้จิตที่เห็นแก่ตัวที่นึกถึงแต่ตัวเองนะมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะสัมผัสความสุขที่ลึกซึ้งที่มันอยู่ ในใจกลางของจิตได้นะพูดแบบงา่ายๆแบบนี้นะฮะและเพราะว่าติดของเรามันถูกเคลือบถูกชาบ ด, ด้วยความเห็นแกตัวหรือ่าความยึดติดในทางวัตถุเนี่ยเราก็เลยได้รับความสุขอย่างเดียวเราก็เลยรู้จักแต่ความสุขอย่างเดียวคือความสุขจากการเสดความสุขจากการบริโภคความสุขทางวัตถุการได้มีการได้ครอบครองนะซึ่งอาจจะรวมไปถึงความสุขทางนมามธรรมด้วยเช่น การได้รับคำสรรเสริญก็เกิดความเพลิดเพลินยินดีเรื่องอำนาจเรื่องชื่อเสียงเรื่องเจิติยอะนี่มันนี่มันอยู่ในมันเป็นเรื่องของอความสุขชั้นผิ ว, ผวซึ่งมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยรู้จักแต่ความสุขประเภทนี้เพราะว่าเราเราไม่สามารถจะฝ่าลึกลงไปถึงความสุขชั้นลึกได้เพราะว่าไอ้จิตที่อยู่กับความเห็นแก่ตัว แต่ทุกคนนั้นเนี่ยไม่ได้มีแต่ความเห็นแก่ตัวอย่างเดียวเราก็มีเราก็มีคุณภาพติดที่ที่ที่ละเอียดลึกซึ้งไปกันนั้นด้วยใต้ใต้ผิวนอกที่เรียกว่าความเห็นแก่ตัวหรือว่าความยึดติดในทางวัตถุนเนี่ยมันมีคุณภาพจิตอีก อ, อีกแบบหนึ่งอีกระดับหนึ่งเนะช่นความรักความเมตตานะความรักความเมตตาความเอื้อเฟื้อเกือ้อกูลนะ รวมทั้งการมีการมีศรัทธาในสิ่งที่ดีงามเราเรียกจิตระดันนี่ง่งายๆความใยดีนะใยดีทุกคนมีกันทั้งนั้นนะตในบบันไทยทั่ถวถ้าหาว่าจิตเปลืองนอกมันหยาบมากเนี่ยไอ้ความายดีก็ไม่สามารถที่จะมีอิทธิพลหรือว่ามีพลังมาเป็นแรงขับเคลื่อนของมนุษย์ได้ คนที่เป็นฆาตรกรทุกคนชั่วเนี่ยเพราะว่าไอ้จิตส่วนจิตชั้นแรงมันหยาบมากจนกระทั่งไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่ไม่จนกระทั่งไอ้ความดีเนี่ยความฝ่ายดีไม่สามารถที่จะทะลุออกมาได้แต่บางครั้งเนี่ยมันก็ออกมาความฝ่ายดีความดีของคนเราก็ออกมาได้ถ้าหากว่าจิตเปลือกชั้นแรงมันถูกรถกระทาะถูกกระทบอย่างเช่นกรณีสึนามิเนี่ยมันเป็น มันเป็นความทุกข์ขั้นมห า, าสาลซึ่งมันกระเทาะกระเทาะไอ้เปลือกที่เห็นแก่ตัวเนี่ยนะไอ้คนเนี่ยความดีที่อยู่ข้างใ น, นก็พลั้งพูออกมาอยากจะไปช่วยอยากจะไปเพื้อเพื่อเพื้อคูนอยากจะไปเจสหลักนะบางคนก็กลัวผีกลัวศพนะแต่ว่าไปอยู่กับศพได้นะเ น, นี้ยอาจาเชื่อเพราะว่ า, วามันไอ้เปลือกนอกมันถูกกระเทาะนะความดีก็ออกมา แต่ว่าออกมาอาจจะเอามาออกถ้าถ้าถ้าความดีที่ออกมานี่มันไม่ได้รับการหล่อเลี้ยงนานเปลือกที่กระที่ถูกกระท่อมก็จะกลับสมยัยก็เป็นใหม่ก็เห็นจะตัวมอนเดิมนะหน้าที่ของเราคือการแยมขัดเกลาไอ้ส่วนเปลือกเปลือกส่วนแรกให้มันบางสุ่ดที่มันจะบางได้นะ่นา อ, อุปา อ, อุปมาอย่างนั้นนะฮะเราต้องขัดเกลาให้เปลือกส่วนน้อยมันบางไม่ใช่ให้มันเคลอะมากขึ้นนะไม่ให้มันหนามากขึ้นนะ เบิกความดีส่วนที่ส่วนส่วนเนี้ยความรักความเมตตาความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลความสำนึกในเรื่องความยุติธรรมหรือเท่าเรื่องมนุษย์สำนึกธรรมมนุษยธรรมเนี่ยมันคือตรงนี้มนุษย์เรามีกันทุกคนสำนึกธรรมเสียธรรมความใฝ่ในความยุติธรรมความถูกต้องความดีงามความเมตตาความเอื้อเฟื้อ แต่ว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นมันลึกลงไปมันเป็นแกนในสุดเลยของจิตเนี่ยนะอันนี้พูดแบบง่ายๆนะไม่ได้พูดตามหลักพูดเพราะว่าเรื่องจิตพุทนที่บางทีมันไม่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะแต่ว่าในแกนแกนในสุดเนี่ยมันก็คือสภาวะของความสภาวะของความอิสระโปร่งโลง่งนะอยู่เหนือความมีความเป็นอยู่เหนือสุดอยู่เหนือทุก นะเป็นอิสระที่ไม่ขึ้นอยู่กับผัสสะไม่ขึ้นอยู่กับรูปโลกกินเสียงสัมผัสนะหมายถึงว่าแม้แดดจะร้อนแต่ว่าจิตใจก็ยังเย็นได้แม้กายจะเจ็บป่วยแต่ใจก็สงบได้เพราะใจเป็นอิสระตรงนี้แหละคือคือส่วนที่เป็นแกนหนที่สุดซึ่งในทางพุทธเราเรียกว่าเราเรียกปรามาทหรือว่าลบุตรธรรมหรือว่าวิมุตนะหรือว่า ทุกศาสนาก็จะพูดถึงแกนในสตรงนี้ว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เป็นอิสระรู้สึกความสุขอย่างลึกซึ้งนะตรงนี้แหละที่คนเวลาจะพูดเรื่องจิตความสทางจิตวิญญาณก็มักจะหมายถึงตรงนี้แต่มาที่ว่าเปือกชั้นชั้นที่สองนี่ก็ใช่ด้วยคนะราวนี้เนี่ยความสุขความสุขความสุข อยาจะพูดเริ่มตั้งแต่ระดับที่2นะฮะก็คือเรื่องของจิตที่ฝ่ายดีฝ่ายแม่ตามีสำนึกธรรมวุตเชธรรมเนี่ยนะสุขภาวะของทางจิตวิญญาณเนี่ยถ้าพูดให้เป็นรูปธรรมก็คือว่าการที่มีจิตใจเนี่ยนะมันแสดงออกมาด้วยการอยากจะทําความดีมีความเอื้อเฟื้อเผเกืก้อหนุนผู้อื่นแล้วก็มีความชื่นชมสิ่งที่ดีงามมีสํานึกธรรมวุตเชธรรมนะ แล้วก็ยังเกิดจากการที่ได้รับรู้ความดีของผู้อื่น mm. เกิดความซาบซึ้ง mm. เกิดความเกิดแรงบันดาลใจหรือเกิดศรัทธาไอความรู้สึกแบบนี้มันทาให้ใจนี่เป็นสุขนะภาษาพูดเรียกว่าเกิดเป็นกุศลขึ้นมา mm. เกิดความรู้สึกที่เป็นกุศลขึ้นมาเวลาเราเห็นคนทำดีเนี่ยเราสึกนดจิตใจมัน ชื่นชมอยนจิตใจโปร่งร่วมมีความสุขนะหรือว่ายังอาจจะเกิดจากการที่เราได้ได้ได้ทำได้ได้บําเพ็ญจิตเช่นการทําสมาธิเราเราได้เกิดความสงบหรืออาจจะเกิดขึ้นจากการที่เราได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สงบงดสวยงามและทีแรกเราจะเกิดความสึกตื่นตาตื่นใจไปกับความสวยงามนั้นแต่ว่าในที่สุดจิตใจคมม่อยสงบลงสงบลง ไอ้ตรงนั้นแหละสภาวะตรงนั้นที่เป็นสมาธิเป็นสงบนั่นแหละคือเรียกว่าเป็นความสุขทางจิตวิญญาณนี่เหมือนกันไอ้ตอนที่มันเกิดความตื่นตาตื่นใจในอลังการในในความยิ่งใหญ่ธรรมชาติเนี่ยมันยังไม่ใช่ความยังไม่ใช่สุขภาพทางจิตวิญญาณเอาล่ะอาจจะเป็นสุขชั้นแรกสุขแบบผิวๆนะแต่พอจากความตื่นตาตื่นใจไม่ได้กลายเป็นความสงบระงับขึ้นมาเนี่ยอันนั้นแหละนะมันเรียกว่าเกิดความสุขทางจิตวิญญาณขึ้นมาแล้ว นะหรือเกิดจากการที่เราได้ทำความดีแล้วเกิดปิติขึ้นมานะนั่นก็คือสุ ข, สขภาวะทางจิตวิญญาณด้วยเหมือนกันนะและแต่ว่าความในสภาวะแบบนี้เนี่ยคนเรายังมีความทุกข์อยู่ได้เหมือนกันนะมีความเครียดได้เหมือนกัน เราเสียสละเพื่อส่วนรวมเราอทิศตัวเพื่อส่วนรวมแต่เราเคลียดว่าเมื่อไหรมันจะออกมาสักทีวะทักษิณน่ะใช่ไหมตรงนี้แหละมันยังไม่สุกจริงเนี่ยใช่ไหมความการทําเพื่อส่วนรวมเนี่ยมันยังมันยังเจือทุกอยู่สุกชั้นที่สามนี่แหละคัญเนี่ยเสุกที่เกิดจากสมาที่เกิดจากการที่เราได้ปล่อยวางนะปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่น นะเราได้รู้ว่าเออมันเป็นเช่นนั้นเองตถาตานะอยู่หรือไปไม่สำคัญคอได้มันเป็นเหตุปัจจัยนะเราทำไปแล้วก็มีความสุขเพราะจิตของเราเป็นอิสระจากความปลอะจากความยึดมั่นถือมั่นนะการระวางความยึดมั่นในตัวตนหรือความไม่เห็นแก่ตัว หรือสภาพว่ที่เราได้เป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งจะโดยการทําสมาธิภาวนาก็ดีหรือจักการโดยโดยการได้ได้ได้อยู่ทํำการธรรมชาติและจิตของเราเนี่ยมันมันหมดในเฉพาะฉะนั้นมันหมดความรู้สึกเป็นตัวตนช่องเส้นแบ่งระหว่างเรากับผู้อื่นไม่มีต่อไปเราสึกเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติหรือเราได้เป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งสูงสุดเช่นพระเจ้าไอตรงนั้นแหละที่ เป็นเป็นสุขภาวะทางจิตวิญญาณขั้น ล, ลึกซึ้งที่สุดนะซึ่งอาจจะเป็นช่วงครั้งช่วงคราวหรืออาจจะเป็นอย่างถาวรก็ได้นะะสุขภาวทางจิตวิญญาณผู้ที่สุขคือมันมี2ระดับนะในระดับที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการได้การได้ทําความดีการได้ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่นการมีศรัทธาในสิ่งที่ดีงามการที่มีจิตสงบนะผ่อนคลายนะ ถ้าพูดอย่างพูดเนี่ยก็นี่ก็ยังเป็นระดับโลกียะอยู่นะเพราะมัน ย, มนยัมันยังมีความทุกข์อยู่มันยังมีความยังมียังมียังมีความไฝอยากอยากดีอยู่นะแต่ว่าในระดับที่สองนี่คือระดับที่มันเรียกว่าปล่อยวางจากความยีดมันถือมันความรู้สึกตัวเป็นตัวกลัวของกูัมันหายไปอย่างที่อาจารย์พูดท่านเรียก ว, ว่าจิตว่างนะ แต่จะชั่วคราวหรือถาวร น, นั่นอีกประเด็นหนึ่งแล้นะปวปัญหาคือว่าทำปัญหาคือว่าทำยังไงเราถึงจะทำให้คนเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยคนในสังคมเนี่ยรวมทั้งปัจเจก บ, บุคคลเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าสึงความสุขในในชั้นที่เรียกว่าชั้นที่2ชั้นที่3คือสามารถที่จะเลยไปจากความสุขชั้นแรกที่เป็นเรื่องวัตถุความเห็กตัวการเสพการบริโภคได้นะอันนี้อาตมาคิดว่าสำคัญจะช่วย นำพาให้คนเราได้เข้าถึงความสุขชั้นที่2ชั้นที่3ได้อย่างไรซึ่งชั้นที่2องชัที่สามจะมาเรียกว่าความสุนทรจย์วิญญาณเจตจดนมันไม่มีพาวเวอร์พอยท์มันก็จะอาจจะอาจะ จ, ะจะเห็นภาพได้มากขึ้น mm hmm. แล้วเราจะมาคิดว่าเวลาเราจะจะพูดถึงเรื่องการพัฒนาจิตเนี่ยก็คือว่าทำงานเราถึงจะทําให้คนเราเนี่ยเข้าถึงความสุขชั้นที่2ชั้นที่3ได้หรือถ้าเรามองแรกกานั่นนะคือทำให้ความชั้นที่ทำให้ คุณภาพจิตชั้นที่สชั้นที่สเนี่ยส่งผลออกมาเป็นพฤติกรรมส่งผลอมาเป็นพฤติกรรมว่าจะเป็นการบริโภคก็ดีไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับผู้อื่นก็ดีเพราะว่าส่วจริงเนี่ยสำคัญคือเราไม่ต้องการให้คนได้เข้าถึงเข้าถึงอย่ะไรแต่ว่าต้องให้มันออกมาเป็นพฤติกรรมเพราะว่าสังคมจะเป็นสุขได้เมื่อทุกคนเนี่ยมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาจากความสุขหรือจากคุณภาพจิตชั้นที่สองชั้นที่สามไม่ใช่แค่อยู่ยคนเดียวเข้าถึง เข้าถึงความสุขหรือคุณภาพจิตชั้นที่สองชั้นที่3าแล้วก็เก็บตัวในห้องไม่ใช่เราสิ่งที่สอสอพยายามทำคือการพยายามดึงให้เขาเนี่ยขับเคลื่อนชีวิตด้วยคุณภาพจิตชั้นที่สองชั้นที่3หรือด้วยความสุขทางจิตวิญญาณนะทำยังไงถึงจะให้ความดีหรือสมถนมิเชธรรมเนี่ยมันเข้ามาเป็นหลัก เป็นพลังขับเคลื่อนได้เราคงไม่เร็กร้อยคนไม่เห็นแก่ตัวนะคนก็ยางเห็นแก่ตัวแต่ทำไงถึงจะ ถ, งถึงจะให้ความเห็นแก่ตัวนี่มันน้อยแต่ว่าชีวิตเขาถูกขับเคลื่อนด้วยด้วยคุณภาพจิชั้นที่สองชั้นที่สามหรือชั้นไหนสุดได้นะแล้วมาพบว่าคนเรานี่เมื่อเมื่อคนเราชีวิตของเราเราถูกผลักดันด้วยด้วยความสุข ด้วยคุณภาพจิตที่ฉันสอแล้วเนี่ยมันทำให้คนเรามีความทุกข์น้อยลงด้วยนะมยัยตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเมือ่อเอ่อมันมีมัน ม, ม, นมีมันมีเป็นเรื่องเล่าของคนหนึ่งชื่ออีวาสกินะเป็นผู้หญิงเขาเป็นคนเขียนหนังสือเรื่องเรื่องเกอิชาไม่ใช่เมมโมเกอีชานะเมมโมเกอฟิชันของอัลเทอร์โกเดนแต่ว่าอัลเทอร์โกเดนได้เรื่องคนได้เรื่องของ เกชานี่มาจากอิวาสกิอิวาส ก, กิเขมีประวัติที่น่าสนใจนัคือว่าตอนที่เขาเป็นเด็กนี่เขามีความทุกข์ทรมานมากเขาเสียพ่อเสียแม่เขาเป็นเด็กก ร, รพร้าต้องถูกไปขายให้กับสํานักเกชาแล้วก็ก็อยู่อย่างลําบากโตขึ้นมาก็ด้วยความลําบากต่อมาก็พบความพัดยภาคสูญเสียลูกน้องชายที่รักตายคนรักก็ตายเขากลุ่มใจนะชีวิตมันมีแต่ความทุกข์เหลือเกินเขาก็ตัดสินใจฆ่าตัวตาย แล้วก็เดินเข้าไปในในป่าเนี่ยตอนที่หินมาตกหนักนะก็คิดว่าจะให้หินมาหรือความหนาวเหน็บเนี่ยะทับผมเข้าไปจนตายฆ่าตัวตายตรงนั้นแหละก็เพิ่ไปเจอมีชายแกคเพไปเจอเขาแล้วช่วยชีวิตเขาได้ชายแกก็มีความเห็นใจเนะว่าอิวาสกิเขามีความทุกข์แต่ก็พูดคําึงว่าพูดประโยคนึงว่าเนี่ยไอคนที่คิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยมันมันย่อมอยากฆ่าตัวตายตรงนั้นแหละ แล้วเขาบอกว่าเนี่ยอยากจะแนะนําเธออย่างนี้ได้ไหมเธอเข้าไปในเมืองและช่วยคนอย่างน้อยช่วยวันละคนแล้วถ้าเธอยังอยากตายอยู่กลับมาแล้วฉันจะช่วยทําให้เธอตายสนใจอีวาส ก, กิก็เลยเริ่มไปช่วไปซื้อซื้อนิซนื้อนิทานให้เด็กยากจนแล้วต่อมาเขาก็เริ่มเล่านิทานให้กับเด็กวันละทีละคนสองคน แล้วก็บอกว่าเขานับแต่วันนั้นไปเขาไม่เคยกลับเข้าไปในป่าอีกเลยเขาไม่มีความคิดที่อยากจะฆ่าตัวตายเพราะเขาม่มีความทุกข์มากขนาดนั้นแล้วแล้วที่ก็ไม่มีความทุกข์มากขนาดั้นมากขนาดนั้นก็ได้ทําความดีก็ได้ช่วยเหลือเฟื้อเกลื่อนคนอื่นก็หมายความว่าเขาได้ปลูกไอ้คุณภาพจิตส่วนส่วนที่สองนี้ให้้หมันขึ้นมาคุณภาพจิตส่วนที่สองซึ่งมันซึ่งมันเหมือนกับจะตายแล้วอ่ะแต่ว่าการที่เขาได้ทําความดีคือการที่ได้ลดน้ําให้กับคุณภาพจิต ขั้นที่สหรือเรียกเชิญชวนให้คุณภาพจิตขั้นที่สองมันกลับออกมาจนทั่งเป็นพลังเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตเขาแล้วคนเราถ้ามีพลังถ้ามีถ้ามีความดีความเมตตาเป็นพลังขับเคลื่อนแล้วเนี่ยความทุกข์มันก็จะน้อยลงอย่างกรณีอย่างอิบาราสกินี่เขาก็ไม่ได้ที่อยากจะฆ่าตัวตายเลยเมื่อเขาได้ช่วยเหลือผู้อื่นนะเนี่นอแตมาคิดว่าไ อ, ไอ ทำยังไงเนี่ยเราถึงจะทำให้คนเรานี่มีความอยากจะทำความดีเพราะถ้าคนเราทาความดีแล้วเนี่ยความทุกข์มันน้อยลงความอยากจะฆ่าตัวตายมันน้อยลงมีกรณีมีกรณีอีกรอกรณีร น, นึ่งอย่าง ม, มีผู้หญิงคนหนึ่งก็เป็นเป็นหมอเด็กนะแล้วก็เขาสามีเ็าเสียชีวิตก็ทุกมากเสียใจ แล้วก็ไม่เป็นกานทํา ง, งานไปโรงพยาบาลก็นั่งอยู่ในห้องไม่พูดไม่จาใครไม่ไปรักษาเด็กด้วยที่ป่วยนะหัวหน้าก็พยายามชักชวนให้ปล่อยวางอันนี้จังวัตถังขาลาพูดธรรมะอะไรไปก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่หายนะไม่ยอมรับความจริงเป็นอย่างนี้สองอาทิตย์แล้วหัวหน้าก็ไม่รู้ทำยังไงสุดท้ายวันหนึ่งหัวหน้าก็ปุ้มเด็กมา เด็กที่ป่วยชาลกเนี่ยมาวางไว้ต้นหน้าแล้วเขาก็ออกจากห้องไป เ, เด็กป่วยเด็กก็ร้องฮะตีแรกเขาก็เฉยๆตัวหมอเนี่ยผู้หญิงเขาก็เฉยๆแต่พอเด็กร้องมากๆเขาก็ทนไม่ได้เขาก็เลยไปดูเด็กเป็นยังไงก็เออต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมบ้างเด็กยืนนัเด็กยืนะยนมก็ให้ให้ก้อนนมบ้างเสร็จแล้วก็มานั่งต่อแล้วเด็กก็ร้องอีกนะก็เลยก็เลยเข้าไปช่วยดูแลเด็ก ต่หลังก็เลยแทนที่จะเพียงแต่ป้อนนมเปลี่ยนผ้าอ้อมก็มาดูว่าเด็กเป็นอะไรแล้ววันนั้นก็จบไปวันรุ่งขึ้นเมื่อหมอคนนี้กลับมามาที่โรงพยาบาลสิ่งแรกที่เขาทำคือถามว่าเด็กเป็นยังไงบ้างไปหาเด็กถึงเตียงแล้วพบว่ายังมีเด็กที่ <c oughs> เด็กที่กำลังป่วยอีกหลายคนที่รอรอการเยียายรักษาจากหมอคนนี้นะแล้วบอกว่า พอพอไปพอไปรักษาเด็กช่วยเด็กพ่อก็บกกันว่าอาการซึมเศร้าก็หายไปเลืออาการเจ้าจุกอีกต่อไปกลับเป็นคนเดิมหัวเราะได้ยิ้มได้นะเพราะว่าเขาได้ช่วยได้ช่วยเด็กได้ช่วยคนที่ลําบากนะเนี่ยเรามาชื่อว่าถ้าเราเนี่ยพยายามที่จะดึงเอาคุณภาพจิตส่วนที่สองเนี่ยออกมาให้ได้ให้มาให้มาให้ม า, ใ ห, มาให้มาเป็นแรงขับเคลื่อนชีวิตหรือว่า ภาษาสมัยใหม่คือเป็นโหมดเป็นโหมดของชีวิตเนี่ยเป็นโหมดหลักของชีวิตเนี่ยมันจะช่วยทำให้คนเรามีความสุขมากขึ้นครั้นี้เนี่ยที่อาจารย์มาพูดเนี่ยจะเป็นการเน้นในเรื่องปัจเจ ก, กบุคคลมากนะแต่ว่าจริงๆแล้วคนเรานี่มันสัมพันธ์มันสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนะ ให้เรานึกภาพว่ามันมีวงกลมอยู่วงหนึ่งนะฮะตอนนี้วงกลมใหม่เลยนะฮะวงกลมหงวงกลมในสุดคือจิตจิตคนเรานะสุขทุกข์นะเป็นเรื่องของใจนะวงกลมชั้นที่ว ง, วงกลมชั้นที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลใกล้ตัว มีผลต่อจิตโดยตรงเช่นสุขภาพทรัพย์สมบัติอาชีพการงานครอบครัวมิตรสหายนี่คือนี่คื อ, น, คอนี่คือเหตุปัจจัยที่มากระทบต่อสุขทุกข์ของคนโดยเฉพาะในระดับ จ, จิตใจสุขภาพอาชีพการงานทรัพย์สมบัติครอบครัวมิตรสหาย คนเราส่วนใหญ่ก็จะก็จะอยู่กับอยู่กับตรงนี้แหละนะแล้วก็วงกลมชั้นที่3เลือยไปก็คือเป็นเรื่องของประเทศสังคมสิ่งแวดลอ้อมธรรมชาตินะเราคิดว่าการที่คนเราเนี่จะเข้าถึงจะมีความจะมีคุณภาพจิตยอยู่ในระดับไหนหรือจะเข้าถึงความสุขในระดับที่2หรือ3ใหม่หรือไม่เน่ยนะ มันขึ้นอยู่กับวงกลมวงกลางและวงกลมวงนอกด้วยนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการบำเพ็ญทางจิตอย่างเดียวโอเคนะฮะเราก็ต้องฝึกจิตด้วยนะเพื่อให้เราสามารถจะเข้าถึงความสุขชั้นที่2ชั้นที่ ส, สได้แต่ว่ามันต้องอาศัยเหตุปัจจัยภายนอกสุขภาพทรัพย์สมบัติครอบครัวมิสหายนะคนเราถ้าอกหักก็ทุกได้มีความเลาช้ า, ายับพ่อแม่ก็ทุกได้นะเป็นนี่เป็นสิงก็ทุกได้ แต่ว่าปัจจัยหลักคือจิตใจของเราปัจจัยรองลงมาคืออย่างที่ว่ามาแล้วก็ระดับที่กว้างไปก็คือเรื่องของประเทศสังคมคราวนี้เนี่ยในการที่จะพัฒนาจิตให้คนเราเข้าถึงสุขภาพทางจิตวิญญาณในความหมายที่กล่าวมาเนี่ยอาจารคิดว่าเราคงจะต้องให้ความสำคัญกับวงกลม นอกจากวงโลรวงในสุดซึ่งเป็นเรื่องของจิงแล้วเนี่ยต้องให้ความส่งแรักกับวงโปรงวนอกวงกลางนะแล้วก็วงโลรวงนอกสุดนะผมนึกภาพออกนะฮะอย่างที่บอกไว้แล้วไม่มีโทอพอร์ก็ต้องใช้จินตนาการนราบคราวนี้คนเราเนี่ยคนเราเนี่ยจะมีความ ความสุขของคนเราเนี่ยนะในระดับจิตใจอย่างที่ตรรมาว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แยกไม่ออกจากความสัมพันธ์กับวงกลมอีกสองวงนะวงกลางกับวงนอกนะความสุขของเราคุณว่าเราจะไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวงกลมหรือปัจจัยเหล่านั้นอย่างไรบ้างนะแน่ละ ปัจจัยอย่างแรกที่ผลกระทบปัจจัยนั่นแหคือว่าไอสิ่งภายนอกมากระทบกับเราคนเราสุขทุกขเนี่ยส่วนใหญ่เพราะอาศัยให้สิ่งรอบรอมมากระทบกับเราอากาศร้อนก็ทุกข์คนมาด่าก็ทุกข์นะแล้วก็ทรัพย์สมบัติถูกขโมยก็ทุกข์นี่คือการที่เราปล่อยให้สิ่งภายนอกเข้ามากระทบกับเราแต่ว่าคนเราเนี่ยมันมันมันมันลอยมันทำอย่างนี้อย่างเดียวไม่พอเราต้องเข้าไปจัดการเกี่ยวข้องกับสิ่งภายนอกด้วย นะซึ่งมาทำได้3ระดับอันที่1คือว่านะเรามีความรู้กับสิ่งนั้นอย่างไรสองเรารู้สึกกับสิ่งนั้นอย่างไรนะสามเรามีพฤติ ก, กรรมความสัมพันธ์กับสิ่งนั้นอย่างไรรู้รู้สึกแล้วก็พฤติ ก, กรรม เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการประชุมกันเรื่อง c o n t e m p r a r y e d u c a t i o n ก็มีผู้หนึ่งเขานิยามว่า c o n t e m p r a t i e Education คือการศึกษาเพื่อให้เกิดการรู้นะรู้อาจจะรู้เรื่องความรู้พูดกาคือรู้สัจธรรมแต่ตสมาคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ยังยังสำคัญด้วยเหมือนกันแต่ว่าและก็มองข้ามเลยคือความรู้สึก ความรู้สึกที่เป็นกุศลเป็นสิ่งจำเป็นต้องเกิดขึ้นเรานอกจากจะรู้เกี่ยวเรื่องความจริงของธรรมชาติรู้คุณรู้โทษของบริพนธ์นิยมเพื่อที่เราจะได้ไม่เข้าไปหลงในบริพนธนิยมแล้วหรือรู้อะไรก็ตามที่จะช่วยทําให้คนเรามีเกิดความสุขเช่นรู้เรื่องบาป บ, บุญคุณโทษหรือว่าเกิดมีสมาธิติดเท่านั้นยังไม่พอต้องรู้สึกด้วยแต่ต้องเป็นความรู้สึกที่เป็นกุศล ความเมตตาก็ทําให้เกิดความรู้สึกที่ปิติการมีศัทธาในสิ่งที่ดีงามทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีความรู้สึกเป็นสมาธิก็ทําให้จิตเป็นจิตเป็นสงบเกิดความสงบขึ้นมานะแต่แน่นอนความรู้สึกนี่มันสำคัญกับความรูนะ้ถ้าเรารู้ว่าเพื่อนมนุษย์เป็นพี่น้องกันเราก็รู้สึกดีต่อกันและกันไม่มีความโกรธไม่มีความอาฆาตพยาบาท ความรู้สึกกับความรู้มันไปด้วยกันนะถ้าเรารู้ว่าสิ่งทั้งหลายท้วมันไม่เที่ยงเราก็ไม่รู้สึกทุกข์เมื่อประสบกับความพัาดพลาดสูญเสียนะและไอความรู้และความรู้สึกเนี่ยมันก็ไปผลัก ด, ดันให้เกิดพฤติกรรมนะสัมพันธ์กับสิ่งแวดลออ้อมเพราะฉะนั้นตมาคิดว่าไอตรงเนี้ยเวลาเราพูดถึงแผนพัฒนาจิตเนี่ย ทำงานเราถึงจะทําให้เกิดไอ้สามสามตัวนี้ได้นะถ้าจะพูดสูบมาจยงถึงแผนพัฒนาจิตน่าจะมาคิดว่าจะสูบอย่างอย่างแบบลวดลัดไปเลยนะฮะหลังจากที่พูดมาทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คือว่าแผนพัฒนาจิตว่าทํางานเราต้องมีมีคําถามที่หนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกไว้แล้วว่าจิตของคนเรานี่มันมีสามระดับนะฮะระดับที่ยาบ ในสุตรที่มันหยากระดับกลางเป็นเรื่องของฝ่ายดีมีคุณธรรมอารยธรรมเป็นเรื่องความอิสระโปร่งโล่งความวิมุติุคลหรือความปล่อยวางทํางานหลกจะไปกระตุน้นไอคุณภาพเีิตระดับที่สองและสามนี้ให้มันขึ้นมามีพลังได <c oughs> ใ้ให้มันให้มันให้มันให้ให้เป็ น, <c oughs> เ, ปนเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิต และพฤติกรรมไม่ว่าการเสกการบริโภคหรือการทำงานนะถ้าเราทำตรงนี้ได้สุขภาพทางจิตวิญญาณเกิดขึ้นนะจะทำเช่นนั้นได้เนี่ยมันต้องช่วยทาให้เกิดพัฒนาการใน3ระดับนะก็คือเรื่องของความรู้เรื่องของความการรู้ซึ่งทางู้เรียกว่าปัญญาเรื่องของความรู้สึกในทางที่เป็นกุศล ซึ่งตรง น, นี้แหละที่เราเรียกว่าจิตนะและพฤติกรรมที่เราเรียกว่าศีลนะสิ่งที่มันเป็นองรวมเนี่ยที่เราศีล ส, สมาธิปัญญาก็คือเนี่ยคือว่าพฤติกรรมที่ดีงามซึ่งขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกที่เป็นกุศลที่เราเรียกว่าสมาธิหรือหรือจิตเฉยๆและเกิดจากความรู้ความเข้าใจในในความเป็นจริงนะในสัจธรรม ในธรรมะในคุณและโทษของสิ่งที่เราเกี่ข้องไม่ว่าจะเป็นวัตถุเทคโนโลยีนะตรงนี้เนี่ยมันต้องทำให้เกิดเกิดพือที่เกิดเกิดพัฒนาการทั้งสามระดับนะและการที่สามคือว่านะเราต้องเข้าไปจัดการทั้งปัจจัยวงปัจจัย เราต้องตอนนี้ย้อนกลับมาที่วงกลมที่2วนะฮะวงกลมวงกลมวงกลมวงกลมที่สองที่มี3าชั้นนะ่ะคืนึ่งก็ต้องไปจัดการที่เหตุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจิตใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอวงกลมวงในวงกลมที่2ครอบครัวมิตรสหายอาชีพการงานทรัพย์สมบัตินะเราจะมีเราจะจัดการอย่างถูาวิธีเพราะว่าเราจะเข้าไปมีพฤติกรรมมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง ก, กับสิ่งเหล่านั้นอย่างไร การเสรการบริโภคเราเสรยังไงจะบริโภคอย่างไรนะรวมทั้งการจัดสรรกิจกรรมเพื่อให้คนได้มีมีพฤติกรรมที่ถูกขับเคลื่อนด้วยคุณภาพจิตที่ไฝ่ดีแล้วก็เป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นนะอันนี้ต้องหากิจกรรมนะเพื่อมา กระตุ้นให้จิตใจฝ่ายดีมันได้ทํางานและขณะเดียวกันก็ทําให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จนกระทั่งเข้าถึงภาวะที่ปล่อยวางหรือว่าละวางจากความวิตติ์ในตัวตนหรือว่าว่างจากความสุกเป็นตัวกูของกูหรือความจริงจะตัวไดนะ้อันนี้เป็นเรื่องการจัด ก, กิจกรรมหรือการจัด ก, การศึกษาการทํากิจกรรมอย่าง จ, จิตอาสาก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะ ก, กระตุ้นหรือส่งเสริมให้คุณภาพจิตระดับที่2และ3เนี่ย มันมีพลังที่มาได้นะพู้ง่ายคือคือไปไปเป็นจิตเป็นตมามทาจีต้องเข้าไปต้องไปต้องไปโฟกัสที่ตัวบุคคลโฟกัสที่ตัวบุคคลไ ม, ม่ว่าจะเป็นบุคปฏิกรบุคคลเป็นกลุ่มชนนะหรือว่าเป็นคนจํานวนมากก็าตามไปไปไปมีกิจกรรมกับคนเหล่านั้นจะโดยผ่านสื่อจะโดยผ่านกิจกรรม หรือจะโดยผ่านกระบวนการศึกษาอย่างใดก็ตามอันที่2คือการจัดสรรสิ่งแวดล้อมนะฮะอันนี้ไม่ได้ไ ม, ไม่ใช่เรื่องไปไม่ไม่ได้โฟกัสที่บุคคลแต่ไปไปโฟกัสที่สิ่งแวดลอ้อมเพราะสิ่งแวดล้อมนันม้นมันมีผลกระทบต่อต่อตัวบุคคลทําไมจึงจะหาสิ่งแวดล้อมที่มันจะช่วยกระตุ้นให้เกิดพลังในการทําความดีได้พลังใยดีทํำไมถึงจะมกะนกระบวนการศึกษากระบวนกรกระบวนการ กบรบการอบรมที่ทำให้จิตใจายดีมันออกมาได้นะในตรงนี้เนี่ยคือคนเราเนี่ยถ้าหากว่าถ้าเราเนี่ยเราเอาตรงนี้มันออกมาแล้วเนี่ยจิตใจายดีายคุณธรรมหรือเชื่อมันในความดีแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ทำให้คนเรามีความทุกข์น้อยลงและมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นนะแต่ว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตของคนได้ อาตมานึกถึงเรื่องของครูคนหนึ่งนะซึ่งแกมีเป็นครูทึ่งไปไปเป็นครูประจําชั้นของนักเรียนชั้นหนึ่งซึ่งเก่งมาเลยเกเรมากนี่ตรงเรียนผู้หญิงนะฮรครูนี่สอนเท่าไหร่เด็กนักเรียนก็ไม่สนใจเลยเอาแต่เล่นกินขนมในห้องกินก๋วยเตี๋ยวในห้องหรือก็มีนะโยน แกงกันในห้องอะไรต่างครูกับแกก็จะทอแท้ทอถอยเสร็จแล้วเพื่อนมึงแกก็นกขึกก้นมาได้ว่าลองใช้วิธีนี้ดูนะแกบอกให้นักเรียนทุกคนเนี่ยนะเอาให้นักเรียนทุกคนเนี่ยพูดถึงความดีของเพื่อนนะพูดถึงความดีของเพื่อน แต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเขียนใส่กระดาษนะแล้วครูก็รวบรวมกระดาษนั้นมากลับไปที่บ้านนะฮะแล้วก็เอาความดีของเพื่อนที่รวบรวมได้เนี่ยมาใส่ไว้ในรายชื่อของเด็กแต่ละคน <โ uen. S 1> แต่ละคนแต่ละคนนะกระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ยก็เป็นความดีของเด็กคน น, น, น, นั้นกระดาษแผ่นนี้ก็เป็นความดีของเด็กแต่ละคนที่เพื่อนๆเนี่ยพูดถึงคนคนนั้นว่ามีความดีอะไรบ้างเป็นคนน่ารักเป็นคน ลักพอแม่แล้วก็ามก็เขียนใส่ไว้รวบรวมมาจากจากเศ จ, จากกระดาษที่เพื่อนๆรวบรวมเอาไว้นะัเกเรียนมีในทั้งชั้นมีสามสิบคนก็สามสิบนแล้วก็แจกให้เด็กแต่ละคนแต่ละคนไปหลายคนเนี่ยเมื่อเมื่อแต่ได้อา่านแล้วพบว่าตัวเองมีความดีอย่างไรบ้างซึ่งหลายค น, นยนังไม่ถึงว่าตัวเองมีความดีแบบนี้ด้วยหรือนะประกอบพฤติกรรมเปลี่ยนฮะ เด็ในห้องจำนวนมากพฤติกรรมเปลี่ยนเมืม่อรู้ว่าชั้นนี้ก็มีความดีอยู่ด้วยแต่เรื่องนี้ไม่จบแค่นั้นนะฮะหลังานั้นผ่านไปสิกว่าปีแล้วก็ต่อมาก็มีเด็กคนเด็กคนนึ่งในชั้นเนี่ยเกิดตายขึ้นมาเพื่อนเพื่อก็ไปงานศพเพื่อไปงานศพเนี่ยก็ไปคุยกับแม่แม่ก็หยิบกระดาษแผ่นหนึ่งมาให้กระดาษั้นก็ยับยุยยี่บอกว่านเนี่ยเนี่ย ลูกเก็บกระดาษแผนลูกของลูกของเธอเยังเก็บกระดาษแทนนี้เอาไว้จนตายกระดาษแผนนนั่นคือลิส ค, ความดีที่เพื่อนๆเขีย น, นถึงเขานะแล้วปรากฏเพื่อนๆที่มาคุยกับแม่ก็บอกว่าเนี่ยเขาก็เก็บไว้เหมือนกันแล้วก็ควักให้ดูนะไอ้ความดีที่เพื่อนๆ พ, พ, พูดถึงเขาเนี่ยมันทําใหม้มันเปลี่ยนชีวิตเขาได้เปลี่ยนชีวิตของหลายคนรวมทั้งคนตายด้วย นะคนเราเนี่ยเมื่อรู้ว่าตัวเองมีความดีอยู่เนี่ยไอมันเกิดความรู้สึกไอค้คนเรารู้สึกว่าตัวเองมีความดีอยู่เนี่ยนะจะช่วยเป็นการให้กําลังใจความดีหรือคุณภาพจิตซึ่งมันถูกฝังถูกปลดถูกถูกครอบด้วยความรู้สึกที่เห็นแก่ตัวความรู้สึกฉันไม่ได้เรื่องความรู้สึกที่เกลียดสพานเนี่ยมันกระเทาะออกมาและความดีนนมันจะมีพลังขึ้นมางั้นแต่มาคิดว่าหน้าที่ของเราเนี่ยแผนพัฒนาจิตคือการพยายามที่จะ พยายามที่จะให้กำลังใจแก่ความดีซึ่งมันมีอยู่ในจิตใจของทุกคนทำไงเราถึงจะเอาความดีเหล่านั้นความฝ่ายดีสำมึกธรรมเสียธรรมเหล่านั้นเนี่ยฝ่ายคุณธรรมเหล่านั้นออกมาให้ได้นะถ้าเราสามารถเทียบธรรมให้ความดีหรือคุณภาพจิตฝ่ายดีออกมาได้นะความสุข ทางจิตวิญญาณจะเกิดขึ้นแล้วมันจะทำให้ความสัมพันธ์ในสังคมเนี่ยดีขึ้นนะสังคมไทยจะน่าอยู่มากขึ้นความเจ็กความป่วยทางจิตวิญญาณจะน้อยลงนะคำถามอยู่ที่ว่าเราจะทำอย่างไรถึงจะดึงเอา คุณภาพจิตระดับนี้เนี่ยออกมาได้จกรงทั้ ง, งทั่งสามารถที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนชีวิตของคนและทำอย่างไรจะทําให้คนเนี่ยสามารถจะเข้าถึงไอ้คุณภาพจิตชั้นที่สองชั้นที่สามได้ด้วยถ้าเข้าถึงมันก็ดึงออกมาได้ไม่ยากแต่ถ้าถ้าเขามไม่ถึงและไม่ไม่คิดว่ามันมีอยู่เลยเนี่ยก็ชีวิตก็จะมีความรึ้งแล้วก็จะ ตกอยู่ภายใต้โมเห็นความเีกนแตัวซึ่งเป็นเป็นเป็นอิทธิพลของจิตระดับเปลือกนอกสุดก็อาตมาคงไม่สามารถจะพูดอะไรเป็นรูปธรรมได้นะก็แต่แต่พูดที่มันเป็นนามธรรมนะก็จะคิดว่าคงจะอย่างน้อยหวังว่าคงจะช่วยทำให้เราเข้าใจคาว่าสุขภาวะทัศนวิญญาณได้ดีขึ้นแล้วก็เห็นมันเป็นเรื่องน่ากลัวน้อยลงนะ ก็คงจะยุติเท่านี้แหละเพราะว่าเวลาเขาให้มาครึ่งชั่วโมงอันนี้ก็เพิ่งเกิดไปพอสมควรแล้วฮะ